ทวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะดิฉันสันสินีนาคพงศ์นะคะมาแล้วค่ะกับรายการสรนสินีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มรอยหเพื่อที่จะพาท่านทั้งหลายไปพบกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานี mm hmm. ท่านอยู่ไกลๆแต่ท่านมาพบกับท่านที่บ้านเลยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ mm hmm. และการมาของท่านนั้นก็จะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ ทุกอย่างที่พึงได้จากการที่จะประกาศตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะว่าเราจะมีทั้งการให้ท่านทั้งหลายได้สังสมสุตตะหรือว่าได้รู้ธรรมะนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปในตัวด้วยตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยและถ้าจะทําไปตลอดรายการ น, นั้นก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์มากที่สุดขอเชิญท่านทั้งหลายได้ไปกรานสนมัสการท่านเผยบุญพร้อมกับดิฉันเลยนะคะนมัสการทันนะคะเจมบอน เวลาที่เราฟังธรรมะก่อนที่เราจะได้ฟังหรือในขณะที่ฟังอยู่หรือฟังจบไปแล้วก็ตามและสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะให้เรามีการใคร่ควรวญทําความเข้าใจในธรรมะหมวดต่างๆได้เนี่ยก็คือเรื่องของสติเรื่องของสมาธิพระบุชาเคยต ร, รัสเอาไว้บอกว่าบุคคลที่ฟังธรรมะอยู่สามารถที่จะก้าวลงสู่นิยามคือทําความเข้าใจได้ถูกต้องแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยการที่มีเอกคัตาจิตคือจิตเป็นอารมณ์เดียวอันนี้สําคัญ บุคคลที่จะทำให้มีเอกคัคขตาจิตคือจิตเป็นอรมณเดียวมีสัมมาสมาธิได้สัมมาสติเนี่ยสำคัญเพราะว่ามีสัมมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี้เป็นฐานะที่จะมีได้สติที่เราตั้งขึ้นไว้ทําให้เกิดสมาธิได้อย่างไงเพราะว่าเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจผ่านเข้าบานออกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้อยู่ในะที่ตําแหน่งเดียวคือตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมปัติของลมหายใจ สัมบัตินี้อาจจะไม่ได้มีตลอดเวลาอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะแผ่วเบาหยุดบ้างมีบ้างแต่เราให้ดํารงจริตขอเราไว้ณที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรขนาดเท่านี้เข้ามาเท่านี้เซนติเมตรจากปลายจมูกเอาแค่ว่าเรารับรู้คร่าวๆเอาพอเป็นกะเป็นประมาณแล้วก็ตั้งจิตไว้ที่ตรงนั้นเพราะว่าในขณะที่เราตั้งจิตไว้อยู่นหน้าที่ใดที่หนึ่งสติเกิดขึ้นทันดีเนี่ย สติเนี่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็เรียกว่าเป็นสติสัมโพชงในขณะที่เราตั้งสติไว้เป็นองค์ธรรมที่จะทําให้จิตเรานั้นพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วคนที่มีสติตั้งอยู่อย่างนี้จะไม่เข้าไปเกลือนกล้วในสิ่งที่ชอบใจไม่ไปกระยัขแยงในสิ่งที่ไม่ชอบใจเขาจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามเนื้อผ้าได้ในการที่เขาสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามเนื้อผ้าใกลื่อนกล u ได้อย่างถูกต้องเนี้ย เรียกว่าการวิจัยใกล้ควรธรรมคือธรรมวิจยะสัมโพชงแัมโพชงคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมบุคคลที่มีการใรกล้ควรอย่างถูกต้องตั้งสติเอาไวา้กุศลธรรมของเขาจะเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมความกำหนัดลุ่มหลงอะไต่งตางๆพวกนี้ก็จะลดลงลดลงอาการที่กุศลธรรมเพิ่มขึ้นอาการที่อกุศลธรรมลดลงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นการทำความเพียรชนิดที่ทำให้จิตนั้น พร้มที่จะตรัสรู้ทหละเป็นโพ่อชงละในขณะที่มีการทําความเพียนกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอากุศลธรรมลดลงจนถึงระดับหนึ่งเมื่อกุศลธรรมลดลงจนถึงระดับหนึ่งเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งใจของเราจะมีความสบายใจมีความอิมเมอรใจความสบายใจตรงเนี้ก็เรียกว่าเป็นปีติสำพโยชงมาจากการที่เรารู้ลมหายใจอยู่ตรงนี้แหละทําด้วยการรู้ลมหายใจอย่างเดียวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดเป็นตามลําดับขั้น พอเรมีความปิติความสบายใจอยู่ในใจแล้วลักษณะความสุขประเภทนี้เป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิแต่ตรงนี้แหละจึงเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชงเป็นสมาธิที่เกิดจากความสุขที่เป็นไปในภายในไม่ได้ขึ้นกับสิ่งภายนอกจิตใจของเราสามารถสงบระงับจากการเปลี่ยนแปลงของผัสสะภายนอกไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงอาหารจะเป็นยังไงรถจะติดแดดจะออกฟ้าจะร้องจิตใจเราก็ยังมีความสุขอยู่ในภายใน ลักษณะความสุขตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิแตนะ่บุคคลที่มีสมาธิลักษณะแบบนี้เป็นสมาธิสมโภชงเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบก็จะเป็นผู้ที่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้การวางเฉยการนิ่งเฉยตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุเบกขาจึงเป็นอุเบกขาสำโพชงลักษณะการปฏิบัติตรงนี้คือแค่เรามารู้ลมหายใจอย่างเดียวในการที่องค์ตามเองโพชงต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามลระดับของมัน โดยการที่เรามาตั้งสติอยู่ที่เร า, าหายใจอย่างนี้ล่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นอัต โ, ตโนมัติตามจังหวะตามลำดับขั้นของการที่เราพิจารณาซึ่งตอนนี้เราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันในขณะที่ฟังทำอยู่กับรถอยู่ทํางานอยู่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องนจงบนจงบานสชุ่กค่ะเท่ากับว่ า, าที่ท่านได้กล่าวนําในการปฏิบัติธรรมแล้วก็พูดเลยมาถึงเรื่องของผลใช่ไหมคะก่อนที่จะ ไปสู่ความสําเร็จสูงสุดก็คือตัวโพชฌงค์ต่างๆอืโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แปลว่าอย่างนั้นใช่นะคะอ่ะฟังดูแล้วตอนแรกก็ตอนแรกที่รู้จักโพชฌงค์เดี๋ยวนั้นก็เข้าใจว่าโอ้โหมันต้องทํายากทําเย็นนะว่าโอโอโอโอโมาเหมือนกันชื่อมันรู้รามากเล <c oughs> ค่ะแล้วคงเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเออค่ะแต่ก็ยิ่งใหญ่นะคะตอนนี้จริงใช่ใช่ทีนี้พอมาฟังจากที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่ เล้ยเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเริ่มเข้าใจเหมือนกันแล้วว่าในขณะที่เราฝึกปฏิบัติแม้แต่กระทั่งในการฝึกปฏิบัติด้วยกันในช่วงก่อนฟังรายการเนี้ยอืก็อาจมีโพชฌงต่างๆปรากฏขึ้นได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยเอาแค่ว่าอุเบกขาหรือสมาธิสัมโพชฌงเนี่ยถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะอ ท, ทีนี้ที่ท่านพูดเนี่ยโพชฌงมีทั้งหมดองค์ธรรมแห่งวามตรัสรู้เนี่ยมีทั้งหม ด, เดอเจ็ดองค์ใ จะต้องเกิดขึ้นโดยลําดับไหมคะว่าจะต้องเริ่มต้นจากโพชงนี้ก่อนแล้วค่อยไปสมาธิสัมโพชงเป็นตัวสุดท้ายออมันคือนี้เป็นลําดับขั้นที่พระพุทธเจ้าอธิบายลาดับขั้นที่พระพุทธเจ้าอธิบายตอนี้เนื่องจากลักษณะการพูดเนี่ยก็ต้องพูดไปเป็นอย่างนี้นะคือมันเป็นข้อจากัดของการสืร่อสารด้วยเสียงก็ต้องเป็นไปตามลําดับตอนี้ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วสมมุติว่าแน่นอนมันเป็นไปตามลําดับแต่อาจจะมากน้อยไม่เท่ากันนะแต่มาต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้แบอบกว่าเหมือนน้ํา อันนี้พระพาเปรียดเที่ยวไว้แล้วนะฝนตกลงบนภูเขาแล้วก็จะทํำซอกเขาซอกผ่าละม้วให้เต็มแล้วพอเต็มแล้วมันก็จะมาเต็มที่บึงน้อยบึงใหญ่บึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็จะมาเต็มที่แม่น้าน้อยแล้วก็เต็มที่แม่น้ําใหญ่แล้วก็จะเต็มที่มหาสมุทรแต่ซึ่งลักษณะการเต็มขึ้นเนี่ยมันมันอาจจะเต็มอยู่แล้วมันก็จะมีส่วนอื่นที่มันไปเต็มต่อได้แล้วมันอาจจะข้ามไปเต็มที่คือบึงอาจจะเต็มแล้วอาจจะข้ามไปเต็มที่แม่น้ําใหญ่ในขณะที่แม่น้ําน้อยมันยังมีหลาย มันอาจะยังไม่เต็มอย่างเงี้ยคือมันข้ามไปข้า ม, มาได้นะค่ะ <c oughs> คือจะพูดแต่ว่ามันจะมีการสะสมของแต่ละจุดของมันไปเต็มเป็น <c oughs> ขั้นเป็นตอนไปแต่ถ้าฟังแล้วคิดตามนะคะทีฉันก็ยังเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปตามลําดับเพียงแต่ว่าจะเห็นชัดในแต่ละลําดับใช่ใหรือไม่เป็นไปตามลําดับนั่นแหละแต่มันจะมีการสะสมของแต่ละลําดับของเขาอีกตอนหนึ่งรบกวนท่านช่วยเรียงลําดับให้หน่อยได้ไหมคะว่าเริ่มต้นจากอะไรเอ่อตะกี้จะมาข้าไปอันหนึ่ง นะ <Okay. S 1> ล่ามใหม่อันดับแรกคือสติสัมโพชง <Okay. S 1> อันดับที่สองออใช่ใช่อันนี้คือจากการที่เรตั้งสติแต <Okay. S 1> นะ่สตินี้ต้องมาก่อนเลยคือบางคนอาจจะรู้ว่าเออฉันได้สมาธิแล้วโอเคที่คุณได้สมาธิคุณมีสติมาก่อนแล้วโอเคสติต้องมีมาก่อน <Okay. S 1> แ, ลแล้วอันที่สองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงพระพุทชาบอกอย่างนี้บอกว่าคนที่มีสติแล้วสามารถที่จะไข้ครวนธรรมด้วยปัญญาได้ทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยจริใจเราจะไม่ไปเกลื่อกลั้ว ในสิ่งที่ชอบใจโดยการที่เพลิดเพลินนุ่มหลงไปที่ใจเราจะไม่ไปเกลือกกล้วนในสิ่งที่ไม่ชอบใจด้วยการขายักขยั่งเกลียดชังแคำว่าเกลือกกล้วนนี่คือมืนแบบไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะแต่พอเริ่มมีสติมันจะแยกกันออกอคำว่าแยกกันออกเนี่ยหมายความว่าเราสามารถดูมันตามเนื้อผ้าได้อ๋อนี่ดีอย่างนี้เอานี้ไม่ดีอย่างนี้มีก็ดีอย่างนี้ก็เสียอย่างนี้ในลักษณะการที่เราเห็นมันตามเนื้อผ้าตามเป็นจริงเนี่ยคือธรรมวิจยะสัมโพชงคือการใกล้เกินทำ คือคนที่เห็นตามจริงแล้วนะนี่คือข้อที่2แล้วนะเขาสามารถที่จะเอาอากุศลธรรมออกจากใจเขาสามารถที่จะเอากุศลธรรมเข้าไปในใจในกะุศลธรรมนี่มันเกิดอัตโนมัติเลยจากการที่เราเห็นตามความเป็นจริงในะลักษณะาการที่อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดเนี่ยความหมายตรงเนี้ definition ตรงนี้คือเรื่องของวิริยะนั่นเองในที่เราพูดถึงสัมมาวยามะหรือว่าสัมปทานสะี่ definition ความหมายที่พระเจ้าอธิบายไปก็คือทํอาอกุศลธรรมให้มันลด ทำกุศลธรรมให้มันเพิ่มอันนี้พระพุจ้าจึงใช้ว่าวิริยะสัมโพชงนี่คือข้อที่สามพอเรามีไอ้เจ้าอากุศลธรรมลดลงไปถึงระดับหนึ่งมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งนั่นชี้แจงให้เรามันจะสบายใจเพราะนั้นคนที่ไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยแม้ว่าสุดท้ายมันจะรู้สึกเหมือนกับสบายใจอยู่ข้างในลักษณะความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นข้อที่4ที่เรียกว่าปีติสัมโพชง เป็นปีติที่เป็นนิรามิษฐ์อจะมากจะน้อยและแต่คนไม่เหมือนกัน น, นนี้คือข้อที่4เพราะว่าระดับของกุศลที่มันเพิ่มขึ้นระดับของอกุศลที่มันลดลงไปมันก็จะแตกต่างกันแต่ละคนตามความเพียงของเขาอะนะออหลังจากที่เรามีความมีวาิจัยความสบายใจแล้วในเวลาที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในภายนอกเนี่ยเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้เราจะสงบระ ง, งับมีความระ ง, งับทางกายมีความระ ง, งับแม้ทางจิต ความสงบระงับตรงนี้เขาเรียกว่าปัจธิสัมโพโชฌงค์ปัจสตสิสัมโพโชฌงค์นี้เป็นข้อที่5ความสงบระงับเนี่ยเป็นลักษณะของความสงบระงับที่ถ้ามีสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าจะพูดถึงก็คือท่าขันห้าเปลี่ยนแปลงถ้าขันห้าเปลี่ยนแปลงเช่เนเมตนาเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์ใจเราจะยังมีความสงบระงับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีปีติสบายอยู่ในใจมันก็จะไม่ไปขึ้นลงเปลี่ยนแปลงตามเาตามตนาตามฝนตกฟ้าร้องอะไรพวกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือปัจติ ความสงบระงับแม้ทางกายแม้ทางจิตแต่นี้คนที่มีความสงบระงับมีใจสบายเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า น, นี้เป็นเรื่องของในภายในนะเป็นที่อยู่ในใจเวลาที่เรามีความสุขความสงบในใจมากเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยเป็นอารมณ์อันเดียวมากแต่ความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าจึงใช้คาว่าเป็นสมาธิสัมโภชงในสมาธิเนี่ยแปลว่า ควาที่จ tuning, ิตเป็นอารมณ์เดียวค่ะพะจิตเป็นสมาธิเนี่ยคนที่มีจิตเป็ ào, ในสมาธิแล้วเนี่ยจิตเขาสามารถที่จะเพ่งมาจดจ่ออยู่ในเรื่อง elite, ใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวได้พระพุทชาจึงบอกว่าคนที่จิตเป็นส ires, มาธิแล้วเนี่ยเมื่อเอาใจมาจดจ่อเพ่งจิตที่ตั้งเฉพาะแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีแต่เวลาที่จิตที่มาจดจ่อเรื่องเดียวเนี่ยมีอะไรมากระทบจากเรื่องอื่นเป็นเสียงนกร้องเป็นเสียงคนพูดเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่ใจเขาจะมีความวางเฉยได้แต่ความวางเฉยตรงนี้เขาเรียกว่าอุเบกขา เป็นดูเบกาสัมโพชงแล้วก็จัดอย่างพอดีเรียงอย่างนี้นะคะใช่ค่ะท่านฟังที่ครบรับและนี่ก็คือกงธรรมแห่งการตรัสรู้ที่ปล่อยให้พวกเราได้ความรู้ไปด้วยก็มีคำถามเกี่ยวกับโพชงค่ะท่านค่ะเรียนบานคุณสุภลักษณ์ถามว่าการเข้าสู่สมาธิสัมโพชงมีอาการจุกที่ลิ้นปีควรทาอย่างไรกลับสู่ลมหายใจหรือไม่อย่างไรคะ่ะ ่คนที่อาการทางกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวของมันนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องเพราะมันมีการปรุงแต่งทางกายแต่แล้วคนที่มีสมาธิสัมโพชฌงจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถทําอุเบกขาสัมโพชฌงให้เกิดขึ้นได้คือความวางเฉยเขาสามารถวางเฉยได้คือคือจะไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรอ่ะร่างกายมันก็เป็นตก็ธรรมดานะจะมีความระ ง, งับปะะัจสถานี่นะเ <Okay. S 1> ราจะอธิบายไว้ปะสะัสถานีเนี่ยที่มันจะเกิดก่อนสมาธิแล้วก็ <Okay. S 1> อุเบกขาที่จะเกิดหลังจากสมาธิเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราเข้าได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าก่อนเข้าหรือว่าเข้าได้เต็มที่แล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็นแล้วแต่กูจะต้องผ่านปันนน ส, สติคือความสงบระงับมาก่อนพระรูชาอธิบายความสงบระงับมีอยู่สองจุดคือทั้งทางกายและทั้งทางจิตปันะ ส, ถสถติคือความสงบระ ง, งับแม้ทางกายความสงบระงับแม้ทางจิตก็เป็นปัสติสามพดูดจงอันนี้คือเคยแยกปัสติจากที่เจอย่างเนี่ยเป็นสิบอย่างภนะายในภายนอกสําหรับเจ้าปัสธิคือความสงบระงับตรงนี้ซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคืออาจจะเป็นสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งแต่แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นสมาธิสัมโภชงที่จะผ่านจากความสงบระ ง, งับตรงนั้นมาค่ะนะท่านคะ อ, อพอมาเห็นคําถามเนี่ที่ฉันก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจเลยว่าการที่จะเข้าสู่โพชงต่างๆเนี่ย เ, เราสามารถที่จะบอกตัวเองเลยไหมว่าฉันจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะเข้าไปถึงโพชงหนึ่งโพชงสองสามสี่ห้าหรือว่า เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเร า, าเจริญสติทําสมาธิในแบบกติในแบบที่แบบที่เราทํา <ำ S 2> คยกนันดูลมหายใจะอะไรเงี้ยน ะ, ะอันนี้ก็ต้องถามถามคุณหยงเดือดและท่านผู้ฟังอย่างเวลาที่เราเกินเราไปซื้อเค้กสักก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปคือถ้าเราไม่ได้ทําเองใช่ไหมค่ะ ค, คือเราไปซื้อตามร้านอย่างเงี้ยเราไม่ได้จะแยกซื้อเฉพาะไข่ที่อยู่ในเค้กนี้ เราไม่แยกซื้อเฉพาะแป้งที่อยู่ในเค้กนี้แล้วเอามาใส่ในท้องเราเขย่าขย่าคือเราไม่ได้กินอย่างนั้นเราต้องให้เขาผสมกันไหมเต็มที่ดีก่อนแล้วถึงก้อยกินอันนี้คืออาจารต้องการจะเปรียบเทียบว่าเช่นเดียวกันกับโพชงนี่แหละคือพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่มีความฉลาดในการแยกแยะแจกธรรมามากจึงแบ่งแยกแจกแจงให้เห็นว่าในลมหายใจของเรานะมันมีสติปัญญาสี่นะแยกแจกแจงมีโพชงเจตนะเหมือนกับในข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะ มันจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งวิตามินทั้งเกลือแร่ทั้งสารอะไรต่างๆที่มันอยู่ในมเมล็ดข้าวแบบเมล็ดหนึ่งแต่เวลาเรากินเนี่ยเรากินทั้งอันเลยเราไม่ได้ไปแยกกินเฉพาะคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แยกกินเฉพาะเกลือแร่ตรงนั้นเดยเช่นเดียวกันในการปฏิบัติตรงเนี้ยสิ่งที่เราปฏิบัติทําได้คือตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเนี่พวกนี้มันจะเกิดขึ้นตามลําดับของมันเป็นไปตามขั้นตามตอนฝนตกเนี่ยก็จะทําให้น้ําตามบึงตามห้วยตามแม่น้ํา ลำคองอะไรต่างๆเต็มขึ้นมาได้ตามลําดับตามลําดับของมันไปอันนี้คือเป็นไปตามลําดับของมันอย่างนี้จุดที่เราจะต้องมาคอยสังเกตมาคอยเอาใจใส่ไว้คือการตั้งสติขึ้นนั่นเองแล้วมันก็จะเป็นไปตามลําดับอะ่ะคือไม่ได้ว่าจะไปแยกแยะทําอย่างนั้นพูดง่ายๆ ง, งั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากในการที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสัมโพธชงเนี่ย ก็เพื่อต้องการให้รู้ว่าในขณะที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปรากฏการที่จะเกิดขึ้นเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรใชแล้วก็มีความหมายอย่างไรใช่จากการที่เกิดขึ้นของผลแต่ละอย่างเพียงแต่สร้างเหตุใช่เราต้องสร้างเหตุให้ถูกอย่างที่คุณยมติว่าแล้วก็อันนี้เป็นหน้าที่ของสามาสัมพุทธะในการที่จะแยกแยะแจกแจงคําว่าพักวานเนี่ยคือพูดจําแนกแจกธรรมเนี่ยคือแจกแจงออกให้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของท่านต้องทําอยู่ล่ะนะคะงั้นก็ เข้าใจง่ายขึ้นเลยนะคะผมพูดถึงตอนนี้เพราะดิฉันเนี่ยเชื่อว่าบางทีเราฟังทฤษฎีไปเยอะๆเนี่ยเราก็ไปกังวลกับความรู้ใหม่ๆที่เราได้แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดในสิ่งที่เหมือนกับให้ความรู้เราล่วงหน้า ใ, <ช>ในกรณีคนที่ยังไม่เคยทำหรือแม้แต่คนที่ทาแล้วแล้วยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ ก็ให้ความรู้ล่วงหน้าและให้ความรู้ล่วงหน้ากับผู้ปฏิบัติทุกคนว่าในการปฏิบัติเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ใี่นี่คือหน้าที่ของท่านต้องทําอย่างนี้โอ้ยสาธุเลยค่ะท่านคะทีนี้ต่อไปค่ะคําถามของคุณจักริดนะคะมีคําถามอยากทราบว่าอุปกิเลสิบหกอย่างอืและความเป็นคนว่ายากสอนยากสิบหกอย่างเมื่อเรารู้ว่ามีอยู่ในตัวเราข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นเราจะจัดการกับเขาอย่างไรโอเค เราทำความเข้าใจกับเรื่องของ16อย่างตรงนี้ก่อนที่ว่าคุณธรรมที่ทําให้เราเป็นคนว่ายากบอกยากสอนยากอันนี้ได้เคยตรัสไว้กับท่านพระมหาโมกขลนะในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรคำว่าอนุมาณนี่แหละตรงนี้เป็นทางแก้ที่คุณจะกรตกําลังถาม ถ, ามถึงคำว่าอนุมาณคือเปรียบเทียบนอนุมาณเข้ามากับตัวเองอันดับแรกก่อนพูดที่ว่าเป็นคนว่ายากเนี่มีคุณสมบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าคนว่ายากเนี่ย ถึงแม้ว่าออกตัวให้เขาบอกว่ากล่าวตักเตือนได้คําว่าออกตัวนี่คือปรวรนานะ<ล>ประวรณาเช่นถ้าคุณโยมติว๋วคือคํานี้มันจะมีอยู่สองความหมายแต่สมมติ ถ, ถ้าคุณโยมติ๋วมาปรวารนากับอาตมาก็คือออกตัวให้ขอได้อันนี้คือสําหรับกระ่ า, ามาปรวารนากับพระสงฆ์แต่ถ้าพระสงฆ์ปวรณากับพระสงฆ์เองเนี่ยก็คือปรวรนาให้เขาว่ากล่าวตักเตือนเราได้คำว่าปรวรนาก็คือออกตัวให้คุณว่าผมได้คุณจะว่ายังไงก็ว่าได้ แต่<ช>พอว่าแล้วนะครัว่าว่านี่คือไม่ใช่ด่าว่าเสีย่ า, ายนะแต่ว่าชี้โทษให้เห็นนะชี้โทษกับเพ่งโทษไม่เหมือนกันนะค<ช>่ะคือเพ่งโทษนี่คือแบบจะหาแต่ที่ผิดอย่างเดียวถึงแม้คุณจะทาถูกก็จะว่าผิดนี่คือเพ่งโทษนะแต่คนที่ชี้โทษเนี่ยก็คือเขาเห็นโทษอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเห็นภัยแม้เล็กน้อยเอาเขาบอกคุณใช่ไหมนี่คือว่าว่านี่หมายถึงพูดขึ้นนะแล้วแต่ว่าไม่ทําตามนะไม่เอื้อเฟื้อไม่อดทนรับฟังด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้คือเป็นคนว่ายาก คนว่ายากจะเป็นอย่างนี้ทําไมก็ถึงว่ายากอะ่ะเพราะมีคุณธรรมสิบหอย่างนะ ท, ที่กําลังจะพูดถึงต่อไปอ่ะพูดถึงคนว่า ง, ง่ายก่อนตรงกันข้ามกัน ค, คนว่า ง, ง่ายเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ออกตัวเอาไว้ว่าให้คุณบอกผมได้นะว่าผมผิดพลาดอะไรขอให้บอกแต่ถ้ามีการบอกเกิดขึ้นแล้วก็ทําตามโดยเอื้อเฟือ้ออดทนรับฟังด้วยความเคารพหนักแน่นเพราะบ้าอะไรเพราะเขาไม่มีคุณธรรมสิบข้อต่อไปนี้สิบหกข้อมีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนอันดับแรกคือความกโกรธ่เป็นผู้ที่แบบว่า มักโกรธคนที่เป็นมักโกรธเนี่ยเป็นลักษณะว่าเหมือนกับแผลเหมือนกับฝีคุณยมติ๋วค่ะถือถ้าเราเคยเป็นฝีเนี่ยมันโดนดนิดเดียมันจะเจ็บเจ็บเลยนะค่ะอันนี้คือลักษณะของฝีคือเปรเยียบเทียบกับคนที่มักโกรธพูดอะไรนิดนึ่งเนี่ยมันอะไรกันทําไมจะต้องโกรธวูมไฟขนาดนี้โดนนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นแบบเนี้ยคือจะเป็นคนว่าอยากพวกตัวโกงในละครอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือน <c oughs> ลักษณะนั้นแล้วก็ความอยาก นะัปรารถนาลามมกพวกนี้ก็เกี่ยวแบบว่าฉันอยากได้นี่มากแตใครมาพูดอะไรไม่ฟังไม่เอื้อเฟื้อไม่ฟังด้วยความเคารพแล้วก็พวกที่ยกตนข่มผู้อื่นฉันทําอย่างนี้ดีแล้วเอายกตนข่มเขาบาคุณน่งไม่ดีอย่างนี้อย่างนียกตนข่มผู้อื่นหรือว่ามักจะพูดวาจาที่ใกล้เคียงกับการที่จะให้มีความโกรธแบบพูดเน็บเนบอย่างงี้นะพูดแบบเฉียดเฉียดให้เขาพูดกระแทกเขาพูดที่ใจเขาอย่างเงี้ อันนี้จะทำให้เป็นคนว้ายากแล้วก็คุณธรรมต่าง ๆ, างๆเช่นบางทีลักษณะเป็นคนลบหลู่ตีเสมอริษยาตรนีโอ้อวดมีมัญญาเป็นคนกระดัางดูหมิ่นผู้อื่นถือเอาแต่ความเห็นของตนเป็นคนดื้อรั้นถอนได้ยากคนนี้คือคุณธรรมที่ทําให้เราเป็นคนบ้ายากละ่ะวิธีแก้ทำํำยังไงนี่ที่คุณจะกามมาลิามาแต่พระเจ้าจึงบอกตรงนี้ในอนุมานสูตรว่าให้ทําการเทียบเคียงทําการเทียบเคียงเอาตัวเราเองกับผู้อื่นเนี่ยแหละเทียบเคียงกัน ถ้าพบว่าผู้อื่นมีคุณธรรม16อย่างที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วทําให้เป็นคนบ้ายากเนี่ยเราจะชอบไหมําตัวเองตรงนี้ก่อนถ้าผบว่าเราไม่ชอบนะถ้าคนอื่นเขามีคุณธรรม16อย่างแล้วทําให้เป็นคนว่ายากแล้วทําให้ตัวเราไม่ชอบเนี่ยถ้าเรามี16อย่างนี้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าพบว่าเราพิจารณาดูว่าเฮ้ยเราไม่ได้มี16อย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนว่ายากอันนั้นดีแล้วถ้าไม่มีดีแล้วให้ อยู่ด้วยปีติและปราโมทยนั้นต่อไปวิธีการละทำยังไงดีทำยังไงเอ่อไอเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะคุณหยมติววิธีการที่จะละมันเนี่ยมีตามลําดับขั้นตอนพระพุทธเจ้าให้เปรียบเทียบว่าถ้าเราเห็นโทษของมันก็ให้ละมันเสียแต่ว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมเปรียบเทียบกับเวลาที่เอ่อคนที่เป็นวัยรุ่นน่ยเขารักสวยรักงามเนี่ยถ้ามีใครเอาซากที่มันของเน่าๆน่าซากสุนัขเน่า ซากหมาเน่ามาแขวนคอเขาจะรีบแบบขยักขยัง้งโยนมันทิ้งทันทีเช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาอนุมาลเปรียบเทียบกับตัวเราเองแล้วเนี่ยว่าถ้าตัวเรามีคนึ่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรามีแล้วมันเป็นอกุศลธรรมมันไม่ดีเนี่ยให้รีบรับมันไปเสียหรือในลักษณะที่ว่าเราเห็นคุณลธรรมสิ่งนี้ว่าไม่ดีดวิธีการละอย่างหนึ่งก็คือให้ไปพิจารณาเรื่องอื่นอันนี้พระโพธิชฌาเปรียบเหมือนกับว่าช่างไม้เขาจะมีเทคนิคในการใช้ลิ่มอันเล็ก เพื่อที่จะตอกสลักริมอันใหญ่ให้ออกไปได้หรือเวลาที่เรามองสิ่งเนี้ยมองแล้วมันไม่ดีเราจะไปเราไม่จะไปมองทาไมเราก็ไปมองทางอื่นเสียเหมือนกันพอเราเห็นความไม่ดีตรงนี้เราจะไปเอาไว้ทาไมเราก็ไปทำอย่างอื่นเสียนยพวกลักษณะนี้จะสามารถทำให้เราละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใะคุณธรรมที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะเท่ากับว่าคาถามของคุณชกรินั้นได้รับการ อธิบายแล้วนะคะว่าก็เมื่อเห็นโทษแล้วก็ละเสียใช่ใช่นอกจากเรื่องวิธีการละพวกนี้แล้วเนี่ยพระรชาอธิบายกับท่านพระมหาโมคละนะว่าการที่เราจะละได้ให้จิตมีกําลังเนี่ยนะในการที่เราจะละเนี่ยทาการเทียบเกียมตัวนี้ให้มันให้มันแบบละเอียดให้มันแบบไข้ครวญให้ดีให้พิจารณาให้รอบคอบเนะีคือเทียบเกียงกับตัวเราเองนะีที่ประเด็นของในประสูนย์นี้ก็คือว่าเราคิดดูถ้าถ้าคนอื่อนเขามีเนี่ยตัวเราก็ไม่ชอบเนี่ย ถ้าตัวเรามีคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันคือเทียบเกยียงตัวนี้พิจารณาให้ดีๆอะอะไรที่เราไม่ชอบในคนอื่นแล้วเราเห็นตัวอย่างนี้ให้ดีนะคนนี้ฉันไม่ชอบมันมากๆเลยเพราะมันเป็นอย่างงี้องี้เรามาย้อนกลับดูตัวเราเองนะถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วคนอื่นเขาจะชอบอ๋อ mm. โอยอากุศลธรรมนี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะคุณโยมตี๋วมันจะต้องออกไปทันทีแต่ฉันจะไม่ทํานี่ยแบบตัวเขาอ่ะค่ะคือเข้าสู่ถ้าเป็นอันนี้ก็เหมือนเพรว่ามีสุภาพสิต ของเชื่อว่าหลายชาติด้วยซ้าไปอืหรือว่าเป็นคํากล่าวนะคะที่ว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเออใช่ประมาณนี้แหละนะใช่แต่ไม่ใช่พุทธพจน์นะคะอันนี้คือเขาก็แอพพลายมาจากธรรมของพระพุทธองค์ใช่ใช่อันนี้พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธพจน์ด้วยไหมคะที่ท่านบอกว่าให้มาคิดว่าคนอื่นทํากับเราเราชอบหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นเป็นพระสูตรที่อยู่ในอนุมานสูตรว่าถ้าเราเราเป็นอย่างนี้คุณอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันคือเปรียบเทียบก่อนนะว่า ถ้าคอนอเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วถ้าเราเป็นอย่างเี้คนอืนเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยนี่คืออนุมานเทียบเคียง <Okay. S 1> อนุมานเทียบเคียงลักษณะนี้พระพุทธเจาเปรียบเหมือนกับวัยรุ่นที่ที่เป็นสิวสมัยวัยรุ่นถ้าใครเป็นสิวเนี่ยโอ้โหเขาจะมาคอยดูกระจกแล้วก็บีบสิวออกโดยเฉพาะยิ่งสิวเสี้ยนสิวหัวดำเนี่ยบีบนจนจนจมูกแดงนะเพราะว่ารักสวยรักงามเช่เด็ดกัน อ่าถ้าเช่นโดยกันถ้าผมว่าพวกอคติโสตธรรมถ้ามีอยู่ในใจของเราแลี่มันก็จะเป็นเหมือนกับวัยรุ่นที่รักสวยรักงามแล้วมีความไม่สวยมีกระดมกระด่างที่หน้าเราก็ต้องรีบบีบมันออกซะพิจารณายงี้แล้วนะค่ะอืมนะคะก็เจทราบอกคุณพระธงนั้นถึงกับยกเป็นอนุมานสูตรใช่เป็นพะสูตร์อีกอันหนึ่งที่อัตรัสไวในมัชฌิมาลักายค่ะเรื่องการที่คุณจะกรีบอกว่าเรารู้ตัวว่า เรามีในปัญหาหรือว่าอากุศโรธรรมหนึ่งในสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีมากๆอยู่แล้วคือบางคนเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอันนี้จะแก้ได้แต่บางคนแย่ยิ่งกว่านั้นคือไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเอง่ยมีปัญหาอะไรคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองชั่วอะไรไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ดีอะไรการที่เรารู้ตัวว่าเราไม่ดีตรงไหนเนี่ยเป็นสเต็ปที่หนึ่งแล้วดีมากๆแล้วแสดงว่ามีสติอยู่พอสมควรมีกําลังคือสติพอเรามีกําลังคือสติแล้วเราจะทํา สิ่งที่เราเป็นสมาธิคือใจที่ให้มันหลุดออกมาจากตรงนั้นอันนี้เราจะทําได้มันก็อาศัยขั้นตอนเป็นไปตามลําดับขั้นนะนะอยู่ อ, อยู่ที่เหตุปัจจัยเราสร้างเหมาะสมถูกต้องไหมอย่างไรด้วยอพูดถึงเรื่องการว่ายากเนี่ยหรือฉันเชื่อว่าคนฟังน่าจะคิดคล้ายๆกับที่ฉันว่าจะถ้าเป็นเด็กในอยู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยเรจะได้พบนะคะว่าคนพวกนี้ว่ายากคงสิไม่ใช <c oughs> ่นิสัยที่ไม่ดีของเขานะครั แต่ดูเหมือนกับว่าเ้าเริ่มพัฒนามาถึงจุดที่มีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแล้วคิดว่าความคิดของตัวเองความรู้ของตัวเองความเชื่อของตัวเองน่ถูกกว่าคนแก่แล้วจะไปรู้อะไรเชยแล้วพวกนี้ก็จะเจอครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติสอนต้องเจอบทเรียนแล้วถึงจะเชื่อบานคนก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนะค่ะ อันนี้จะเอามาแอพพลายเข้าธรรมะยังไงได้ไหมคะท่านคะคือพระพุทธเาเคยบอกไว้คนที่เว้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะนะช่วง16ปีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงแต่ไมันจะมีใจโลเลคําว่าโลเลนี่คือหมายความว่ามั่นใจตนตัวเองบ้างบาทีฟังคนอื่นบ้างตามเพื่อนบ้างเห็นอย่างนี้ก็คิดไปอีกอย่างนึงบ้างคือคือลักษณะนี้จะมีลักษณะที่มีความโลเลไม่แน่ไม่นอนซึ่งตรงเนี้ยความโลเลตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าบอกว่าอาศัยการที่เรา เห็นประสบการณ์เห็นตามที่เป็นจริงมันก็จะระ ง, งับลงได้แก้ไขไปได้แล้วกคค็คนที่เป็นวัยรุ่นถ้าแบบว่าเราพยายามที่จะควบคุมไอ้ความโลเลนี้ให้ได้และให้มีความมั่นใจในกระบวนการการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะค่อยดีขึ้นนะนะค่ะท่านวิวกับพระสูตรนี้ไหมคะถ้าไม่ก็เอาไว้โอกาสหน้าก็าได้ดิฉันก็อยากฟังพระสูตรที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัดตรงไปสู่วัยรุ่นเหมือนกันบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านคะ มีความเป็นวัยรุ่นตลอดการดือ้อเชื่ออะไรยากจริงๆโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวจะดื้อจะรั้นกับคนที่เป็นสามีภรรยาพ่อแม่นะคะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งอายุใกล้กเกษียณแล้วก็ยังดือด้ออย่างเงี้ยอือันนี้คือลักษณะคนบ้ายากเลยนี่คือคนอบ้ายากเต็มๆซึ่งถ้ า, าที่คุณจะเกีดยกตัวอย่างมาเลยถูกต้องถูกต้องคือถ้เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนบ้ายากอันนี้มันจะจะบอกยากแล้วก็อีกประการหนึ่งของคนที่ ว่ายากเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีศรัทธาแต่ว่าคนที่ว่ายากเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเขามีศรัทธาในใครเนี่ยนะแล้วใครคนนั้นเขาบอกอะไรยังใดย่างหนึ่งเขาจะทำเลยนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเคานั้นแต่สมมุติว่าถ้าเขาว่ายากว่ายากกับเราใช่ไหมเราพูดอะไรเขาจะไม่ฟังแต่ถ้าเขาไปว่าง่ายกับคนอื่นคือเขามีศรัทธากับคนอื่นอะคนนั้นพูดอะไรเขาจะทําเพราะฉะนั้นไอ้ศรัทธาเนี่ยมันก็จะมาแก้ได้เหมือนกันเช่นเช่นอย่างสมมติถ้าเรามีศรัทธาในเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเราก็จะทม ่ะต่บางทีดิฉันสังเกตนะคะเพราะก็ดูเหมือนกับว่าน่าที่จะศรัทธาคนที่เราว่ายากด้วยเหมือนกันมันมันรุดแปแกค่ะถ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมักจะเหมือนกับถ้ามีอารมณ์รุนแรงจะไปใส่แต่คนใกล้ๆตัวนี่แหละเอชื่อไม่เชื่อคือคนไม่เชื่อคนอื่นอาจจะอยู่เฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้แสดงออกจริงถ้าไม่เชื่อเจ้านายอาจจะไม่กล้าดื้อรั้นอืมแต่ถ้าพอ กลับมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พูดยังไงปุ๊บเนี่ยแสดงออกเลยให้เห็นเลยว่าไม่เห็นด้วยที่ปากอันนี้เป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมการที่รระคะ่ใช่นี่เป็นกรรมแน่นอนเพราะว่าคนที่มาเกิดด้วยด้วยกันมีภาษาเ อ, อต้องเจอกันอยู่เรื่อ ย, อ, ยอันนี้ก็คือเคยทําสร้างกรรมมาด้วยกันจะดีหรือจะไม่ดีนั่นก็มีล่ะมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันละ แล้วก็ที่ท่านได้พูดว่าถ้าเราพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังก็ขอให้รู้ว่าเขาไม่ยังไม่ศรัทธาเราใช่ใช่ถ้าในกรณีที่มีความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะศรัทธาน่ะแต่ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจความเชื่อใจความลงใจ ค, คือถ้าเราเชื่อพ่อแม่เราร้อยเอร์เซนตเต็มหัวใจท่านพูดอะไรเราก็ตามนั้นไม่กัดการก็เนี่ยคือลักษณะของศรัทธานะ คือความเชื่อ ค, ความความลงใจความมั่นใจในบุคคล น, นั้นอย่างเงี้ยงั้นถ้าสมมุติว่าบุคคลมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดเขาไม่เชื่อพูดเขาไม่ฟังก็ให้รู้ว่าเขายัางศรัทธาเราไม่เต็มที่อันนี้ต้องมาแก้ที่ตัวมั้งคะใช่แก้ที่ตัวของบุคคลผู้นั้นต้องมาทําให้เราเป็นคนที่น่าศรัทธามากยิ่งขึ้นคือคือนี้มันทั้งสองฝ่ายด้วยนะใหญ่ใหญ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐสุดละ เรื่องสีสมาธิปัญญาและวิมุตต์แต่ก็มีคนไม่ศรัทธา่านเช่นพระเทวทัศนหรือว่าพวกเดรัจฉีก็ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าให้ได้มาฟังทำจนจบเป็นพระสูตรก็ก็ไม่ได้จะมาปฏิบัติตามได้พวกนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับบัวที่อยู่ใต้น้า น, น่ะละ่ะคนที่แม้จะบอกสอนยังไงก็ไม่ได้ก็มีค่ะถ้าอาจารย์ครับท่านพูดถึงเทวทัศน์ฉันก็อยากถามกันพอดีไปดูการแสดง เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเมีการพูดถึงว่าเทวทัตนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าในพุทธประวัตินี้ว่าไว้ไหมคะใช่เพราะว่าสากยะนี่เขาเป็นพี่น้องกันหมดศากยานี่เป็นผู้ที่สมสู่กับพี่น้องชายพี่น้องหญิงของตัวเองเพราะฉะนั้นนีก็จะเป็นเครือญาติกันหมดใช่แล้วจะมามั่นใจว่าจะต้องมีลักษณะนี้ว่าจะต้องมีบางคนเป็นไบหรือร อ, อาจจะเป็นกรรมก็อาจจะไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาเครือญาติก็อยู่ด้วยกัน คือจะไม่มีใครไปรน่องตระกูลเพราะว่าคือรักษาให้วงให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรจริงๆแล้ว เ, เจ้าสุปปพุท ธ, ธที่เป็นพ่อเป็นพระราชบิดาของเทวทัตกับที่เป็นมเหสีของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสินธะเนี่ยนะมีมีลูกสองคนเป็นพี่น้องกันเนี่ย ค, คือพูดง่ายคือน้องสาวของพระเทวทัตเนี่ย<ง>เป็นภรรยาของเจ้าชายสินทธะอย่างงี้นะตามตามประวัติที่เขามีมา ซึ่งก็เป็นเครือญาติกันจริงๆแล้วก็เป็นญาติกันก็เป็นญาติกันหมดใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเกรดก็แล้วกันที่ฉันก็ต้องการที่จะทราบมีข้อสงสัยก็เลยถามใครก็มาถามพระอาจารย์นี่แหละนะคะก็พอควรแก่เวลาเรียนบานใจคิดว่าในสัปดาห์นี้เราก็คงจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรทีเดียวและสิ่งอื่นใดท่านก็ ไปปฏิบัติกันอย่างที่ท่าจันเพทนทูลพูดสรุปคือไม่ยากไปสนใจเรื่องการมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นหลักนะคะแล้วความรู้อื่นๆเนี่ยก็ค่อยมาติดตามกันแต่ที่รู้จริงๆคือรู้จัดตัวเองถูกไหมคะใช่เื่อบานไปเวลามีสติแล้วก็ให้สังเกตะะว่าให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเชื่อานวันนี้ กราบน้องนักการขอบพระคุณท่านเพบุลเสด็จยิ่งยิ่งนะคะ น, น้องนักการค่ะสนฝกสนที่ครบค้ารายการสังมสนีสนทนานะคะจะมาพบกับท่านอีกในสัปดาห์หน้าค่ะกันถึงสุขสําหรับท่านเพริบุญที่จะสนทนากับดิฉันจะเฉพาะวันพฤหัสบดีกับสุขค่ะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ